จะมีข้อสรุปอะไรั้ยครับทั้งหมดในชีวิตเลิบดุนการปฏิบัติของตนเองที่เคลื่อนย้อยมาสู่การ รู้ตัวเฉยๆได้อย่งังไงแต่ตอนผมเชื่อมั่นในอาณาบาลานสติเป็นอย่างสูงนะคเพราะเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ใช้ในการตรัสนั้แต่ว่าการปฏิบัติของผมเองไม่ไม่มีจุตหมายาดๆ <c oughs> ไม่รู้ว่ามรคคืออะไรแล้วไม่รู้ว่ามันจะนำไปสู่อะไรด้วย ถึงเดี๋ยวนี้ผมไม่ปฏิบัติอะไรเลยนอกจากความรู้ตัวนะไม่มีอะไรเลยแต่วิชีวิตประจำวันก็นกนกนเราเดาเนินไปตามภาษาครับสุขบ้างทุกบ้างแต่ไม่เคยหันเหไปปฏิบัติอะไรนะไม่ตืน่นเต้นกับเจ้าสำนักใหม่ๆที่โลกคือว่าสอนดีเป็นผู้รู้ ผมหมดความสนใจในอนะย่างนั้นเตรียมนาในความรู้สึกตัวทำใผมอุ่นใจและอยู่ได้แม้คนเดียวนะแม้จะถูกเบียเบียนผมเชื่อว่าแม้จะถูกเบียเียนเพียงใดก็ผมก็ยืนหยัดในเรื่องความรู้ตัวเท่านั้นแต่ผมจะตายกับมันไม่ใช่เพื่อยืนยันโดยจิตถีนะ เพมันบอกผมชัดว่าความใาดที่ผมรู้ตัวอยู่ไม่มีอันตรายอะไรมอนแพ้วพจิตใจได้นอกจากานั่งกายภาพเท่านั้นผมเพียงขอแสดงความเชื่อมั่นที่ตัวเองมีต่อไม่ใช่ต่อลุงประธีนหรือสำนักหนึ่งหลักใด น, นี้เชื่อมั่นแบบความรู้ตัวผู้ ด, ดวาวผมเชื่อความรู้ตัวคือองค์คร ธ, ธ สภาพตื่นสภาพเบิก่านะฮะเชื่อมั่นว่าในจิตใจของมนุษย์ทุกชาติทุกาสาราทุกประเทเหมือนกันงั้นทำชาติชั้นวันณนะหายไปจากจิตใจเมาไม่คำนึงถึงสิ่งนันนั้นเลยเราสรุปว่าว การภาวนามาหลา ย, ลายปียุติลงนอกจากแรงเชฉยคือมันเคยจงกรมมากนเดินเล่นลก็เลือกที่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาสามัญยิ่งขึ้นเพราะพบอา น, นิสงส์ว่ามันทำให้เราไม่มีศัตรูหรือมีศัตรูน้อยมาก ขายเาินไม่ดินรนหาชื่อเสียงอารมณ์เศร้าหมองเข้ามาผมไม่วิ่งเล่ไปดื่มสุรามเมยเลยแล้วก็อันมาเพิ่มความรู้ตัวเดินประการดีแต่เปลี่ยนไปแล้วความรู้ตัวเสมุนลูกแก้ววนยอดเจดี มีอันเดียวเท่ น, เนั่นเองที่ผมเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมโดยคำแนะนำของครูบาอาจารย์แต่ด้ความรู้สึกขึ้นมาทั้งชีวิตมาเวลาปฏิบัติเราต้องปฏิบัติตรงเป้าที่สุดความรู้ตวงคือพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ก็ว่ า, าได้คาพูดที่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราเองไม่ยากรรมสะเป้า หรือมิ่งไปเรารู้ได้เมื่อเราปฏิบัติแล้วก็เราจะไม่เกรงกลัวอุปสรรคอีกเลยจะเป็นคำคุยไปมากหรือเปล่าใช่เพื่อใช้ความรู้ตัวนั้นไม่มีอุปสรรคให้เกรงกลัวพูดอย่างง่ายงงเพราะอุปสรรคมอนเข้ามาทางความคิด เรารู้ตัวอยู่ความที่ก็อย่างดีก็เคาะประตูหน้าบ้านเท่านะัอ้อจบเท่านี้หมดเพิ่เจออะไรมากหรือเปล่าไม่เลบขอบพระคุณอาจารย์มากๆแลยครับเสียงก็แหกครับฟ้องงเซมครับ